เหรียญนึ่งเนี่ยให้หมื่นบาทอาตมาถามว่าเหรียญราชการที่หหรือราชการที่หนึ่งหรือเหรียญบาทเหรียญตะหลงเหรียญอะไรเขาก็ไม่เห็นเขาบอกลักษณะอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นมีรอสอเลขสมตัวเราก็ไม่รู้เราก็เหอะกับเขาบ้างอาตมาก็ออกไปเที่ยวกวนเหรียญไปทางชาวนอนจักสีไปบางราจารย์ไปบ้านเก่าบ้านแก่เอาเหรียญมาเยอะเชียวขอมาก่อนเขยืมเพราเราเป็นพระปิสุกเขาไว้ใจ ก็ยืมมาก็ให้ผูกกุงเทพดูผร้งเทพบอกเอาไปดูก่อนเอาเหรียญเราไปศูนย์จะบ้างอะไรบ้างหนักเข้าหนักเข้าเอฟมาถามกันมากมายบอกที่ไหนโยมที่ยืนเหรียญได้เป็นหัวสามหัวหสามครั้งก็บอกที่ขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยจตมาก่อนจะเข้าลูกแบบก็มาถามที่แน่นอนเหรียนมาหมดแล้วผมเห็นช่วยอะไรได้ช่วยมโนยิทธีก็เหรียนแล้วเพลงกระสิงก็เหรียญแล้ว บาดใครมีเงินอยู่ในกระเป๋าอีกต่างก็รู้แล้วมาเป็นหมอดูดีบาด น, นั้นมีตมกี่ลูกต้นไม้เยอะงั้นไหมคนเลื่อมสายบอกไมวองค์นี้เก่งจงังแท้จริงๆเนี่ยรู้แต่ว่ามีต้นไม้แล้วได้อะไรขึ้นมาแล้วรู้ว่าเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าในกำปัน้นเขาเท่าไล่เขาจะให้เหลืองนี่จโจทยมุ่งหมายจะรู้ทีหลังในเวลาการต่อมาจะมาก็ลำคาญอยากจะไปเรียนยื่นเหรียญมากถึงยังไงไม่เป็นหวยกว็าตาม ถ้าจับเหรียญยืนได้แล้วก็ไม่ต้องไปเผาไฟยืนได้เหลวได้นะับรองว่าขนต้องกลัวเยอะรับรองต้องมีพินิหารมากมายคิกอย่างนั้นมีชันชาว่าแล้วซักจิวรใส่เห็บเดินทางต่อไปไปหายืดเหรียญเดี๋ยวจะให้ตำลานะไปถึงขอนแก่นก็กระสักกระเซน็นไปจดที่ตำบลหมู่บ้านไหม สมายังจดไว้ในะบัตรนี้เนี่ยมีวันนี้ไม่เดาออกมาจําตำบลไม่ได้ไปถึงขอนแก่นก็ต้องเดินเท้าเดินไปตามหมู่บ้านสี่ตาบลอะไรจําไม่ได้เนี่มีโยมผู้เฒ่าคนหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านอายุปาปิ84ปีไปที่บัตร น, นี้ถึงจะรู้อสมาก็พุ่งไปที่บัตร น, นั้นพุ่งไปก็ไปเจอโยมนะั้นพอดีอายุปาปิ84ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า ก็เล่าเหตุการณ์ในฟังบอกพระองค์นี้เนี่ยลระคุณเจ้าปีหนึ่งต้องมาอยู่ที่ต้นไทรนั่นปีละหนึ่งเดือนปีหนึ่งมาอยู่เดือนหนึ่งมาอยู่แล้วท่านก็เดินทางต่อไปก็ไม่ทราบว่าพระองค์นี้คือใครผมเองเป็นเด็กแก่้าไปเลี้ยงงวกับคุณพ่อขุนพ่อแกเป็นขุนขุนนั่นก็คือกำนันเก่ากำนั้นเก่านี่โยมนี่เล่าให้ฟังก่อนบอกว่าพระองค์นี้มา มาทุดงไปหนึ่งเนี่ยถึงเดือนสามนีตั้งแต่ขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสามถ้าจะมาอยู่ต้นสายนี้จนสิ้นเดือนสามตั้งจะเดินทางไปก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่วัดไหนอยู่จังหวัดใดชื่อเลี้ยงเสียงไรไม่ทราบผมเป็นเด็กแก่ผ้าไปกับคุณพ่อขุนพ่อขุนเนี่ยเป็นกำนันเก่าในหมู่บ้านนั้นก็ไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงงัว แล้วก็เลี้ยงงัวเสร็จแน่พอขุนก็พาเขามาในโคนต้นทรายหลวงพ่อองค์นี้ก็นั่งสมาธิไม่พูดไม่จาท่านไปฉันแล้ท่านก็เอาบาดแขวนไว้ที่อาถรร์บริขารไม่มีอะไรมีกระบอกน้ำมีกระบอกน้ำใส่น้ำแล้วก็มีเครื่องใช้เป็นไม้ไผ่ทนว่าอย่างนั้นแล้วมีบาทลูกเดียวมีสายโยงสาหรับตะไายบาตมีผ้าอาพพับผืนเดียว มีผ้าสายจีวรสามตัวเท่านั้นมีผ้าอาับผืนเดียวไม่มีผ้าใยอาศัยแต่ประการใดแล้วทีนี้ท่านก็ไม่พูดไม่จาจนมาบัดนี้เนี่ยพอขุนผมก็ตายไปแล้วในเมื่อตายไปแล้วผมก็จเจริญรอยตามเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ยังไม่ใหญ่เพ่งกับนานตั้งแต่ผมแก้ผ้าจนผมอายุปดสิบสี่นี้ผมก็ไปที่ต้นไม้ปีนมาครังผมก็ไป เลี้ยงงัวแล้วก็ไปลาสายโอกแล้วก็บางคลังก็ไปยกบาตรของท่านมารับทานเสร็จแล้วก็ล้างบาตรไปแขวนให้อย่างเตาท่านก็ไม่พูดอะไรทั้งหมดอง์นี้จนผมมอมอายุแปดสิบสี่ท่านก็รูปร่างอย่างนี้นะครับพระคุณเจ้าแหมท่านมาโชคดีอย่างนี้เพิ่งมาอยู่แล้วมาอยู่ได้ห้าวันแล้วบอกเอาละได้เหรียญยืดเหรียญก็แล้วคนนี้เลยบอกโยมเลาบระวัติให้ฟังที่ยืดยังไง โยมนี้ก็ได้ฟังบอกไม่ใช่ยือดหอรกคลับผมมีไอ้ไอ้ไไไกระป๋องเดียวผมจะมาให้ดูคือไอ้ไอ้กล่องยานะครับเป็นทองเหลืองผมยังจาภาพได้มีรูสองรูแล้วมีมเชือก้อยถูกเอวแล้วก็ไฟแกล็ของขพ่อขุนคือพ่อเขาที่เป็นกำนันเก่าที่มีหินหนึ่งก้อนแล้วก็มีเหล็กตีเป็นไฟชุดครับแล้วก็มีได้ไอ้ไดแบบไอ้ไดใจ ก็สำหรับตีชุดยังอยู่ครบแล้วก็ยานั้นก็ยามวนใบตองหรือไปไอ้ใบาจากไําทนองนี้ก็อยู่ในในในกระป๋องนั้นกระป๋องนั้นเป็นทงเหลืองแล้วก็มีฝาปิดฝาปิดแล้วก็มีผูกเอวใช้เชือกควายเนี่ยผูกผูกเอวแล้วในเมื่อพอขุนผมได้ถึงแก่กรรมไปแล้วพอขุนก่อนจะตายก็บอกเออลูกเลย ออกออกแกวแล้วตายจะตายแล้วก็ออกกรอมอบกล่องยาให้ลูกไปกล่องยานั้นก็ไม่ทราบว่ามีอะไรแกก็ใส่ ย, ยาสูบเรื่อยมาก็ไม่รู้ว่าในกล่องก้นกล่องนั้นมีอะไรแต่ประการใดวันหนึ่งหลวงพ่อเกิดลืมตาก็มาพูดกับโยมนั่นว่าโยมโยมพุทธของดีอยู่ในกล่องยาทําไมเอามาไว้ที่นี่โยมนั่นก็ ตอบทันทีบอกหลวงพ่อไม่มีแล้วมีตะ บ, บุรีมียามัวนพอ่พอพ่อให้เป็นมรดกนั่นแหละดีของยาในกล่องยามีของดีแต่แล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ทนก็นิ่งไปในเวลานั้นก็โยมผู้เฒ่านี่ก็กลับไปบา้านกลับไปก็เล่าให้ลูกหลานฟังบอกหนูหลวงพ่อเกิดพูดได้บอกก่อนไม่เคยพูดเลยนั่งเฉย อ, อยู่ที่คนใต้ นี่จะพูดบอกของกล่องยาดีเหลือเกินให้ลูกหลานบูชาเลยตาผู้ใหญ่เก่านี่ก็เทกล่องยาให้ลูกหลานเทออกมาเคาะเคาะเข้าก็มีเหรียญพระราชทานขององค์พระมหากษัตริย์พระราชทานคุณหลวงคุณพระบรรดาศักดิ์สมัยเก่ามีเลขรอสอมีเลขสามตัวอยู่ที่เหรียญ น, นั้นจะเป็นที่เหรียญที่อรุศรอะไรไม่ทราบ จำไม่ได้แล้วจะไปเหรียญรัชมังคลาพิเศษหรือเหรียญลุโหลบอะไรทำนองนี้ก็มีรอสอมีเลขที่สามตัวแล้วตอนนั้นไอ้หวยมันกาลังเฮ่อมาจะกภาสานก่อนก่อนจะมาถึงภาคกลางยุ้มยิมยุ้มยิ ม, ม, ยมก่อจะมาถึงบ้านเราก็กินแหลกมาเรื่อยๆเลยลูกหลานก็มาชุมพร้อมตายก็ขอดูเหรียญความจริงเป็นอย่างนั้นก็ขอดูเหรียญแล้วก็มาดูเลข ก็ไปซื้อรัฐบาลสลากกินแบ่ที่ลวกก็เกิดถูกสามครั้งกลับไปกลับมาถูกสามครั้งติดต่อกันไปเลยกว่าจะลือจากที่ข้นแก่นไปถึงกรุงเทพจากเพื่อเป็นศอบจากศอกเป็นวา่าจากกรุงเทพมาวาถึงจังหวัดสิงห์งเป็นเจ้นเป็นกิโลเลยก็ว่าเหรียญยืดหน้าสามครั้งเลยเราก็เหออยากจะไปยืดเหรียญยืดเหรียญมากโดยทํานองนี่ ตาเท่านี้ลาให้ฟังก็ผมไม่เชื่อจะขอเรียนพระปิสุทั้งหลายตวรวทราบยังไม่เชื่อต้องไปเจอหลวงตาหลวงพ่อองนี้ให้ได้ว่าโยมพรุ่งนี้พาไปทีคืนนั้นเราค้างบ้านตาเท่านี่คือผู้ใหญ่บ้านเจ้าบอกเช้าพาไปทีบอกได้ครับทันมาพอดีแตะมาแม้ถ้าโชคดีเลยถ้าเพิ่งมาได้อย่างห้าหกวันเนี่ยผมไปได้ทราบแล้วแต่ถ้าไปยิบาานายจางเลยฉันคงเดียว แล้วก็ชันแล้วก็แฝงไว้อย่างนี้อีกตามเดิมตอนเชา้าเราก็บอกจะไปเลยท่านก็ยมผู้เท่าบอกท่านอย่าเพิ่มไปอนเช้าเลยสอนเพลงก่อนเพลงแล้วเดี๋ยวจะหาข้าวเหนียวถาวายข้าวเหนียวกา ย, ย่างชอบไหมเราก็บอกชอบทุกอย่างเราไม่ชอบไม่ได้เพราะ บ, บันนั้นมีแต่ข้าวเหนียวต้องชอบที่ไมอย่างไงก็ต้องชอบอย่างนั้นจะไปค้าข้าวเจ้า ก, ก็อดสิเขไม่มีข้าวเจ้า ก, กินกัน เลยก็ในสุดก็ไปสันเพลแล้วสันเพลแล้วก็ไปโยมนั่นก็ไปนั่งเฉยบอกท่านพูดเอาเองเนะเพรท่านองค์นี้จะไม่พูดนะผมไม่รับรู้ไปถึงแล้วก็เศกคาถาขอเศกคาถามานิยมเลรียนมาบอกว่าหมดพุงเลยก็ปราบปราบกราบแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อเชื่ออะไรครับนิ่งเงียบ หลวงพ่ออยู่วัดไหนครับเงียบว่าคาถาใหม่นะเมตตามโมพุทธามนิทายินดียะอินดูนะโมพุทธยะเออว่าไปหลวงพ่อผมจะมาเรียนยืดเหรียญเงียบเอคาถาไม่รั้งคาถาไม่รั้งว่าคาถาไม่รั้งแน่เลยก็เปลี่ยนคำพูดใหม่บอกหลวงพ่อจะเคารพผมเป็นพระภิกษุนาวกะบวชใหม่ครับยังไม่ทราบจะนั่งจะเรียนกรรมฐาน จะสึกฝนอบรมอะไรก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่ชำนาญก็ใครที่จะมากราบเรียนประเด็จพระคุณหลวงพ่ออยากจะให้แนวกรรมาฐานบ้างครับลืมตาอ๋อคถานี่รังเลืมตาเนี่ยลืมตาเพ่งเรามองดูตั้งแต่ศีรษะลงปลายตูดเลยไม่ใช่ยื น, ยนเพ่งลงดูตูดแล้ว เพ่งไปเพ่งมาท่านก็นยิ้มออกมานิดๆบอกเธอบวชกี่พรรษาบอกได้สาบรราัครับสามบรรษาเรียน ร, รมตรีหรือเปล่าเรียนครับสอบได้แล้วได้ทรรมโทรแล้วด้วยดีแล้วดีแล้วสาธุเจอติประฐานสี่บ้างไหมบอกเจอครับสอบได้เลยเฉดิบ ปฏิปทานสี่กายานุปัสนาเวชนานุปัสนาตายพิจารณาตายไม่ใช่สัตว์บคุคคลตัวตอนเราเข้าเรียกว่ากายานุปัสนาปฏิปทานสาธุดีแก่นี่เพราะว่าจบถึงธรรมานุปัสนาเกจบแล้วนี่เธอทําได้ไหมทํำยังไงครับปฏิบัติได้ไหมในเวชนาเป็นยังไงตายในกายเป็นยังไงจิตในจิตเป็นยังไง บอกทําไม่ได้ครับท่านก็บอกว่าแห้เสียชาติเสียเวลาเรียนแต่แท้เรียนมาต้องทําได้เชฟทานี่เนี่ยถึงเรียกว่าตัวปฏิบัติเราก็พูดเบี่ยงบายไปพยายามจะให้ท่านยืดเหรียญให้ได้เลยบอกกังพ่อครับก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปครับแต่ก็อยากจะกล่าบเรียนเรียนวิชาทุกอย่างแล้วจะไปปฏิบัติครับเรียนวิชาแหละยืดเหรียญให้ได้ ไม่บอกเราแน่เพราะมันมมนยืดไม่ได้ตอนก็เบี่ยงบาท่าเงียบซะเลยเงียบแล้วก็จะให้ท่านพูดอีกใช้เวลานานมากในเมื่อท่านพูดออกมาก็บอกว่าหลวงพ่อครับผมก็ปฏิบัติมาเยอะหลายอย่างแล้วมโนยิธิธรรมกายก็ว่าไปแล้วก็เพ่งกสินเรียนเศษใบไม้เป็นตัวต่อเศษใบมะขามเป็นตัวต่อเศษนอนเศษดิ อเรียนมาทุกอย่างแล้วท่านก็บอกดีแต่ใช้ไม่ได้ท่านก็พูดสั้นๆแล้วก็เราก็มานึกเหตุการณ์ตะวันบ่ายชายพระมกพภ์เนี่ยใกล้จะเลื่อยเลี้ยวรัดอัศดงคตจึงได้ปรานโลกกราบเรียนว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอภาคแรลมจาวัดกับหลวงพ่อทั้งคืนได้ไหมครับท่านบอกไม่ได้ต้องไปจําวัดในหมู่บ้าน เพราะเธอยังไม่สามารถจะจำวัดอยู่ที่นี่ได้ทางเปลี่ยวมากมีอันตรายถ้านพูดอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้ต่อเติมเสริมส่งอะไรก็บอกหลวงพ่อครับผมอยากจะติดตามหลวงพ่อไปเยียนกรรมฐ า, านจะได้นะครับท่านก็ดูเพ่นอยู่นะท่านบอกเธอเอาอย่างนี้เธอไปเรียนสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกของพระพุทธเจ้าเธอจะได้สาเร็จมาผล ถ้าเธอทำอย่างที่เธอทำมาแล้วไม่จะสำเร็จแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แม้จำใส่ใจแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติได้ท่านก็บอกว่านี่เธอเธอไปแสวงหาครูบาอาจารย์สติปัฏฐานที่จะเลินทำให้มีสติครบมีปัญญาปาลาโลภธรรมสามารถแก้ปัญห า, าได้อย่างแน่นอนแล้วก็เธออายุสี่สิบห้าเมื่อใด แก่ปัญหาของเราได้เธอกลับมาอยู่กับเราแล้วเราจะพาเธอไปปฏิบัติในป่าต่อไปแล้วก็ท่านให้ปัญหามาอย่างนี้เธอจำไว้นะอยากเรียนลูกไปถามหญิงคันหูกอยากจะทำถูกให้ไปถามเด็กเรียงควายคนสา ม, มารถกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าให้หลี่เหยียบรอยการณอยู่หัวสามตัวอย่าละ นะอยู่ที่ไหนตามไปเอาที่ณ์ท่านก็บอกอย่างนี้เราจําได้แม่นยําบอกประเดะี๋ยวไปคุยหลวงพ่อครับผมจะไปถามใครเนี่ยอปัญหาอย่างเนี้ที่จะตอบได้ท่านตอบมาคําหนึ่งเธอต้องทําเองใครทําใครจะรู้ถ้าใครไม่ทําใครจะไม่รู้ทาอะไรครับหลวงพ่อจเจริญทางสายเอกสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องแก่จริต เหมือนสมาถะที่เขาทำก่อนมีมานานท่านก็นสาธิบายว่าเธอรู้ไหมสมาถากรมฐานเนี่ยมีมาก่อนผูพ้พุทธเจ้าโยคีเลสีฉีพลายอาราดดาบดุทกาดาบกัลมาคตรชาดินทั้งสามพี่น้องสำเร็จกสิ่ไยบูชาไฟตลอดเวลาการอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำมาก่อนพระพุท ธ, ธเจ้าแล้ว แต่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะว่าให้เอาฌานไปเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาสำหรับประเภทพวกที่ได้ฌานแล้วคนที่ยังไม่ได้ฌานอย่าไปฝึกนี่ฉันพูดอย่างนี้จริงๆถ้าไปฝึกไม่ได้ผลกว่าจะได้ฌานเนี่ยจะได้หรือไม่ก็ไม่ทราบตายก่อนทุกคนจึงเอาต้องเอาฌานมาเป็นบาตรเจริญวิปัสสนากรรมาฐานกำหนดไว้เห็นหนอ ให้ทัพฌานให้เกิดอนัตตาอัตตาให้เกิดอนัตตาอาัตตาดับโลกอนัตตาเกิดเป็นอดีัจังทุกอนัตตาสําเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกคนท่านว่าอย่างนี้เลยอันนี้ยังจดไว้ตามแบบของเราท่านบอกว่าชดินทั้งสามแผ่นกระสินมีนาคนาคาดุร้ายมากแต่พระพุทธเจ้าสอนอาทิตย์ตละลักขณสูตร อาทิตย์ปริยาญาสูตรอาทิตย์ตังอาทิตย์ตังราคักินาโทสักินาอาทิตย์ตังอาทิตังเลยกลายเป็นไฟคือราคะโทสามุหะเลยเป็นบาตรเจริญวิปัสนาสําเร็จมรรคผลสำโภศญาเป็นพระรหันต์ได้นี่เห็นชัดไม่ใช่ว่าเราจะไปเจริญสมถะให้ได้ชานก่อนถึงจะมานั่งจเจริญวิปัสนาไม่ใช่อันนี้ขอยืนยัน ไอ้คนที่จเจริญสมถะท่านจึงเขียนจริตไหมจริตไม่ใช่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ถึงสี่สิบประการถ้าคนไหนยังไม่สมาเร็จฌานยังไม่ได้ฝึกท่านไม่ให้ท่านบอกเดินทางสายเอกนี่สติสัมปชัญญะตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่ทัญนยอให้แล้วคือตาจิกา 3. สามีลนสมาิปัญญาสรุปด้วยสอง สติชมาชัญญาสรุปเหลือหนึ่งความสำเร็จคือความไม่ประมาทนี่อันนี้เราได้จะหลวงพ่อในปาแล้วเ็บอกว่านี่เธอเธอไปเจอพบพระอาจารย์แล้วเธอทายปัญหาได้อายุเธอจะครบสี่สิบห้าแล้วเธอจะมาพบเราที่จังหวัดน่านต่อไปอันนี้เราบันทึกไว้แล้วหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็ไม่บอกชื่อสะที แล้วก็ไม่ทราบว่าอายุเท่าไราตอนตาเท่าผู้ใหญ่บ้านเก่าบอกหลวงพ่อพร้อมนี่นะแต่ไม่เรียกหลวงพ่อหรอกตอนนั้นเรียกพระพระคุณเจ้าผมเป็นเด็กแกล่าพาท่านก็รูปลางอย่างนี้ตอนผมนี่เนี่ยที่ท่านมาเนี่ยผมน่ะอายุผมเนี่ย84แล้วท่านก็รูปลางอย่างนี้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยแม้มันน่าอาจารย์นุนบรรดานแล้วเราก็ปรับ จากหลังจากท่านมาถ้าไห้ยอมให้ค้า ง, างก็มานั่งมานอนจำวัดที่บา้บานผู้ใหญ่บ้านนั่นอีกหนึ่งคืนเล่ากันมาร่วมตีสี่เลยคุยกันสบัดเลยหลายเรื่องหลายราวพวกดาบานนั่นสนใจแต่หวยอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องหนังที่เราไปหาหรอกเลยเราก็ได้คติเตือนใจมาเราจะไปะแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปเพราะอะไรก็ไม่ได้แล้ว เลียนมาทั้งหมดขอเจริญพรคณะโยมทุกคนเลียนทุกงานเลียนสูดเทียนในน้ําก็ได้เสพพระอาบให้เป็นตัวกระตายก็ได้เลิกแล้วทั้งหมดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทิ้งหมดนะไปอยู่เมืองเขเมรตั้งแต่พระเจ้าสีานกอาจจะมาไปส่งเพื่อนก็แต่มาที่วัดเบนจา่าเร็จประเรียญหกประโยคเป็นชาวกัมพูชา แล้วต่อมาไปอยู่เมืองเขมรสิบห้าวันยังไปเรียนยาสั่งมาจะสั่งให้กินผงหนมกินตายก็ได้สั่งให้กินกุ้งเตี้ยวตายก็ได้มีทางแก้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสั่งให้พวกกลมเรากินกุ้งเตี้ยวให้ตายให้หมดให้เอ็มให้หมดต้องตายรับรองกินต้องตายแน่ไม่มีใครอยู่ถึงห้าร้อยปีหรอกต้องตายเดี๋ยวให้คุณอำนาจตายก่อน หลอกกินก็เตี๋ยวให้อิ่มไปรับรองไม่ถึงสองร้อยปีต้องตายอายุนะจริงเทจก็คิดไว้ก่อนนี่ตมาก็เล่าต่อไปว่ากลับมาก็ได้คติเตือนใจมากลับมาแล้วลุงึินเชา้าพวกมาหาเหรียญกันอีกแล้วนิ่งซะสบายมากไม่พูดด้วยเพราะเราไปรู้เรื่องจริงมาแล้วตอนที่ตอนใสที่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเป็นที่น้าท่วมตมาไปอีกครั้งหนึ่ง จะไปดูตอนสายไม่มีแล้วน้ำเหลืองไปทะเลหมดก็ดูเหนือเขื่อนอะไรเขื่อนอะไรเขื่อ น, น, นอุอนบลัด น, น, น, น, นั่นแหละตรงนั้นเหลือใจตรงน้ำท่วมไปละวเนี่ยรวบรับแต่ชัความอาตมา ก, ก็แสวงหาไปนที่สดก็ไปเรียนหนังสือวัละคะหลวงพ่อวัดละคางเจ้าวาดหลวงปูน่นาตอนนั้นเป็นราชโมลี ลาโชโมรีนี่ออกจากป่ามาแล้วนะ่อไปแสวงหาอาจารย์ก็ไปอยู่ที่วัดสเกตพักอยู่วัดสเกตกุติมหาเนแต่ซึกไปหมดแนละ้วมหาเนรอายุจักไหมทำงานที่กรมอ่ะนะมหาเนแล้วนะจบเกียนแล้วนะนันเนรองค์นี้แหละที่ได้เมียนะที่อยู่วัดสเกตนะ นั่นแหละขายอัลติร์จะขับรถโชเฟอร์ด้วยคอยไปกับเจ้าหน้าภาคเกตตะตังด้วยอ๋อนี่แหละนี่จำไหมดูวัดตะเกตวูเขาทองขายอัลตาล์หวยด้วยแล้วก็จะมาก็มีชื่อมหาลีธอยู่องค์หนึ่งก็ไปอาศัยภาคแรมที่วัดตะเกตตอนที่มหาจำงทองประเสริฐ มหาจำนวนทองประเสริฐยังเป็นเ จ, จ้าคุณแล้วก็ศึกไปแล้วจะคุณสู่ธรรมที่เป็นนัก อ, อยู่ที่คติคณะทิศศียกเลิกยกยามเป็นลูกศิษย์เครื่องเจ้าประคุณต้มเด็ชประสังคราดอยู่ยานูไทยนี่สมัยนูน้นอาตมาก็เรียนนะเรียนเรียนโหราศาสตร์กร็ตองหลวงปู่อยู่คือต้มเด็จสังคราดเรียนแล้วก็เลิกหมดนะอย่ามาหาหมอ ด, ดูไอ้ตม า, ายกเลิกไมาได้นะ ไม่เป็นมาดูหรอกแล้วทีนี้ก็ไปเรียนหนังสือกันละครังหลวงปูนนะ่หน้าเลยก็ไปได้ผงสมเด็จมาเยอะแยะหมดหรือจะดีสร้างเมนแล้วไปเรียนกับเจ้าคุณคุณอะไรถาตายไปแล้วหลวงปู่สุขนะอะออภาวนาพิรามถีละแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปมาก็เข้าวัดมหาธาตุ ไปเจอมาหาโชดกกับคุณอุดมวิชายานเทระแล้วก็ได้สติประธานสีิลงมาเจริญหนุกมาเจริญกุศลภาวนาต่อสอต้องพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหก็ได้ผลอนไอสติตัวเดียวนี่เราก็กำหนดนิมิตนะไอยุโนโยิทีเดี๋ยวเห็นเจ้าสาวมาแล้วเทพธิดาเทพระบูทเห็นนรกสวรรค์มาแล้วเรื่องจริงเห็นจริง แต่ของนั้นไม่จริงเป็นอนุนิจังสุขั้งสาไม่ควรจะอุปาทานยึดมากตัดพับหลวงพ่อวัาตังน้ำเพรว่าสดท่านก็มานั่งเจริญสติอาตมานี่เองไปโคนพัดให้ชัดตอนนั้นจะจุคุณอุดมวิชายามเถระก็ไปสอบอารมณ์ให้คีว่ตักน้ําทุกวันอาตมายังตามไปนี่นี่ขอยืนยันเป็นพยานด้วยเลยบนทายก็มาฟังฟังฟังเทศลาดับยานปณิธา แล้วนาข้าวหลวงพ่อปางน้ําพูดก็จะมาเองมีพยานหลักฐานนี่เธอแม้เรานี่มาไป็นคดีฆาเขาหลายปีกว่าจะรู้นะโอ้โหเป็นคดีฆานานจังแล้วเราก็บอกว่าพป็เหตุบุกรุกหลวงพ่อครับหลวงพ่อกําหนดยังไงครับธรรมกายหลวงพ่อเออนี่เธอกําหนดข่อเดียวเหลือกินเลยเห็นหนอเห็นหนอธรรมกายหายวับ โลกพระพุทธเจ้ามาปรากฏเห็นหนอพระพุทธเจ้าหายว่าพระธรรมมาประกนดพระธรรมมาประกฏเห็นแสงสว่างพระธรรมใจนี้กระพัดรอนพองใจหลุดพ้นแล้วก็เข้าพระลสมาบัติได้ยี่สิบสี่ชัมม่วโมงหลังจากนั้นอตาตมาเขายืนยันหลวงพ่อว่าทางน้ได้มีโลดสมาบัติได้เจ็ดวันแนนอนที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นมาท่านอาพาธ ถึงแก่มรภาพเสียนี่ขอจเจริญพรอย่างนั้นอัตมาก็ทายปัญหาออกจากเรียนรู้ถามหญิงคันหูกอยากทำถูกไปถามเด็กเลืมควายได้ในใจเหตุการณ์ก็บอกชัดอัตมาก็ได้มีโอกาสไปพบหลวงพ่อองค์นี้เองที่จังหวัดหน้านแล้วก็เดินทางตามทุ ด, ดงไปทูดองไม่เหมือนสมนัยนี้ที่เดินไปเป็นฟุ้งๆ อาตมาก็กลัวในป่ากลัวช้างกลัวเสือพอปักกรดเนะี่ยบอกหลวงพ่อปักตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นับไปยี่ผ้าวตายจริงนับจากกรดหลวงพ่อองค์นี้ไปยี่ผ้าวาแล้วปักตายหาถ้าเสือมาเล่นงานเราก็เหลือกระดูกแนะ่ตายแน่แล้วบอหลวงพ่อครับผมขอปกักติดกับหลวงพ่อได้ไหยท่านบอกเออทุดงปักนี้ได้นะ ไม่ได้ตายจริงเราก็ต้องไปปักโนนตายแล้วทํำยังไงได้ประสบะการณ์ปัญหาอย่างนี้อีกประการหนึ่งแล้วก็วิชาเลียงช้างเอามาใช้ได้ช่างโถงน้ำมาเอามาใช้ได้ช่างหูทิพย์ตรงไหนวันหน้าจะเล่าให้จันฟังนะช่างหูทิพย์ตรงไหนนี่ประสบข้อหนึ่งข้อสองที่ประสบที่ได้วิชาจากหลงพ่อเดิมมาที่ว่ารู้ว่าใช่ว่าใส่บาแบกหามในเวลาการต่อมาพลานทองดีเขาบูกผ่าน ไปต่อชางป่ามาตัวหนึ่งก็เลี้ยงไว้จนโตโตเรียกลูกไอ้ช้างมันก็รู้อย่างคนมันก็เข้าใจว่าพ่อทองดีเป็นพ่อของเขาเอาหิ้วของไปถวายพระได้ัวะถวธรรมจัรช้างก็ น, นงางมันคุกข่าวฟังในเวลาการต่อมาทองพ่อพานทองดีตายตายแล้วเหลือแต่ลลกเขาไม่นิยมชา้างไอ้พวกเมืองเพชรบูรณ ว่ามาซื้อช้างซื้อช้างก็ไปจะไปเข็นสรงที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยช้างนี้ก็เดินล่องหายเลือไปถึงเมืองศรีเทพนครเลยชัยบาดาลไปช้างล้มตายตายไปเกิดเป็นคนที่ใกล้เมืองเขาภูผ่าเมือ่อสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัดแล้วก็เกิดเป็นหญิงคือช้างโัเมียเกิดไปเป็นหญิงแล้วก็มาบวชที อายุหกสิบปีล่วงไปแล้วอาตมาก็ไปเจอเขาว่ายายคนนี้เคยเป็นชา้าเราลึกชาดได้เอาละวันนี้ทดสอบถามแม่ชีช้างทําอะไรบ้างถึงเวลานัะทําอะไรบ้างถึงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างช้างหูเทียบยังไงตอบได้ถูกต้องทุกประการช้างตกมันมีนิสัยเป็นยังไงแล้วมมีจิตใจเป็นไงช้างเป็นสัตว์เป็นยังไงตอบได้ถูกต้องก็แสดง ว, ว่าแม่ชีเป็นช้างมาจริงๆนี่ ประโยชน์ในการความรู้ไว้ใช่วาใสบาแบกฮามเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่นะก่อนนึกว่าเราไม่ใช้ก็เก็บใส่ตู้ไว้ถึงเวลาก็ออกมาใช้เสื้อตัวนี้ไม่ชอบก็เก็บไว้ถึงเวลาเข้ารูปแบบงานนี้ก็เอาตัวนี้มาใช้ไองานนอนก็เอาตัวนอนมาใช้ไป็นอไรไปรู้ไหวใช่วาใสบาแบกฮามความทั่วดีโศกฟินกิงอาชาก็เรียนไว้เธอะแต่ไม่ใช่เรียนโศบนะ เรียนรู้เลขคแทศเทตูทบายกง ม, มันเนี่ยะมาก็ได้ตำราจากหลวงพ่อในป่านี้อย่างหนึ่งขอเล่าสู่คนฟังในที่ประชุมเดินทางไปเลาะละภาคเหนือเลยไปถึงบ้านอั ญ, ญตครุปตลอดการหลายสายหลายทางเดินไปเป็นช่วเวลานานได้ตำราเทคนิคนีป่าก่าบอกว่าเธอต้องต้องแยกกับเราแตหากว่าบินทบาตไม่ได้มีข้าว ไม่มีใครใส่บาตรต้องไปกินจังวัดต้องบินทำมาใหญ่ขา่าวทำยังไงท่านบอกให้เอาน้ำล้างบาตรอธิษฐานปาฏิตักงคาโยนิโชวินงตปาตัางปฏิเสวามีว่าสามครั้งแล้วก็ดื่มให้หมดดื่มให้อีม่มดื่มอี่มแล้วก็ทรงจีวรต่อไปคลองผ้าให้หร่อยถือกรดเดินทางต่อไปแล้วก็ทำอย่างนี้เอม ถ้าไม่เจอข้าวไม่ได้ข้าวก็ทำอย่างนี้อีกล้างน้ำล้างบาทแล้วก็ภาวนาอาตมาเขาเจริญพรยืนยนันว่าไม่หิวจริงๆไม่หิวไอทอี่เทวดามาใส่บาทอาตมายังไม่เจอเนะยเดี๋ยวจะหาว่าที่มีเทวดามาใส่บาทยังไม่เจอแล้วท่านก็ให้เทคนิคกว่าเราถือกัปปิยะไม่มีใครประเคนต้องกัปปิยะก่อนจะทาอะไรกัปปิยะอารมิ ให้ได้นิสันนิธิมันจะเกิดขึ้นอย่างไรสันได้ถ้าหากว่าหาสองวันแล้วไม่มีบินาบาบไม่ได้ค่ะท่านบอกว่าให้ยามสี่ตีสี่ลุกเจริญกรรมาฐานแผ่เมตตาแล้วฟังเสียงนกว่ามันนกลองฟังเสียงไหนมากแล้วให้บินาบาตเสียงทางทิศนั้นเราลองดูที่มันจะเจออะไรขึ้นมาจะเจอคนหรือมันงก็ไปบินาบาบ ท, ทิศนั้น โอ้โหผละหมากลากไม้แดงหมดแล้วกับพิยาซะฉันระบายเลยอิ่มไปทายเขียวบื่อเลยท้องเดินแล้วก็เดินทางต่อไปอ๋อนี่ท่านไป่ไบอกแล้วว่ามีคนท่านบอกว่ามีเสียงนกร้องมากทางไหนให้เดินบินถบาททางนั้นเรานึกตายนกร้องนี่คงจะมีเทวดามาใส่บาตรหรือว่าชาวบ้านจะมีเปล่าไม่มีเลย มีต้นหมากลากไ ม, ม, ม, ม้ผลไม้รกไม้ดกจริงจริงนกเกี้ยวเจ้าหมดมากินกันมันก็หล่นเราก็ไปเก็บกินกับปิยะซะก่อนไม่ต้องประเคนเพราะเราเป็นทาสในปา่าพระอรัญยาวาสีใครจะมาประเคนเราแล้วพิจารณาปัจจัยสีพิจารณากับปิยะกับมังกรมิแล้วก็ฉานไม่งั้นเป็นอบาบัตทอดเราก็เอาอย่างนี้มีงั้นเราก็จะไปอย่างไงเน่าเพราะเราไม่มีลูกศิษย์ประเคน ก็ต้องตัดใจเสียสละได้โดยใช้ผลลหมากลากมาเป็นโยคีเลสีชีภัยนั่งภาวนาไปก็สา ม, มารถจะทำได้โดยไม่ผิดวินยัยนี่ได้ข้อสองข้อสเดินทางไปเลาะและ้วค้างภาคเหนือเขาถือผีผีตองอ่อนผีตองเหลืองแล้วก็ผีกังกอยผีโนนผีนี่แะ้วเยอะแยะรับถือผีแล้วอีกหมู่บ้านหนึ่งจะไม่ได้แล้วมันหลายสิบปีมา ผีกินคนเขาเรียกว่าผีเดิบถึงเวลาแล้วมันจะไปดูดเลือดผีกินคนผู้ชายกินแต่ผู้หญิงไม่เป็นไรไอ้ผีพวกนี้ไม่กินผู้หญิงด้วยการไอ้ผีเดิบนี่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะไม่เป็นผู้ชายแล้วก็จะมาไปบิน บ, บาตไอ้ชาวเขามันก็มามาม า, ม า, มาใส่บาตรมาทำบุญเยอะหลวงพ่อองค์นี้แปลกมากรู้ภาษาเขา